พระไตรปิฎกเล่มที่ส4บสสลายยตนะวิพังคสูตรการจำแนกอายตนะ6กประการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสแสดงเรื่องสลายยตนะวิพังดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายในหอายตนะภายนอกหหมวดวิญญาณหหมวดผัสสะหมโนปวิจาร18บสัตตบท36ในธรรมะเหล่านั้นมโนปวิจารคือความนึกหน่วงทางใจหมายถึงวิตกและวิจารสัตตบท ทางดำเนินไปของสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยวัตตะและวิวัตตะในที่นี้แบ่งออกเป็นสองคือวัตตบททางดำเนินไปสู่วัตตะ18ทางและวิวัตบททางดำเนินไปสู่วิวัตตะ18ทางรวมวัตตบทกับวิวัตบทเข้าด้วยกันเรียกว่าสัตบท36ประการ เธอทั้งหลายอาศัยธรรมะนี้แล้วจงละธรรมะนิซะและพึงทราบสติปฐานสาที่พระอริยเสพซึ่งเมื่อเสพอยู่ชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะพระอริยศา ส, สดานั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนี้เป็นอุเทศแห่งสลายตนะวิพัง เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายในหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือหนึ่งจักรวายตนะอายตนะคือตา 2. โสตายตนะอายตนะคือหู 3. าคานายตนะอายตนะคือจมูก 4. ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น หกากายยตนะอายตนะคือกายและหมนายตนะอายตนะคือใจเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวแวทเช่นนั้นคือรูปายตนะอายตนะคือรูปสัทธายตนะอายตนะคือเสียงขันธายตนะ อายตนะคือกลิ่นระสายตนะอายตนะคือรสโผฏฐายตนะอายตนะคือสัมผัสและธรรมายตนะอายตนะคือธรรมอารมณ์เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวเวเช่นนั้นคือจะขูวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา โสตะวิญ ญ, ญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหูคานวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางกายและมโนวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจเรากล่าวคานี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดภัสสะหก เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือจักขุสัมผัสสัมผัสทางตาโศตสัมผัสสัมผัสทางหูคานาสัมผัสสัมผัสทางจมูกชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้นกายสัมผัสสัมผัสทางกายและมโนสัมผัสสัมผัสทางใจ เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบมโนปวิจารสิปเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วยอมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสยอมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสยอมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาไวและโดยในยะเดียวกันบุคคล พึงฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผดภาดทางกายรู้แจ้งธรรมมรรคมทางใจแล้วย่อมนึกหน่วงอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัตอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตและอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาไว้เรากล่าวคํานี้ไว้ว่าพึงทราบสัตตบท36 เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวเว้เช่นนั้นคือโสมนัสอาศัยเรือนหหมายถึงโสมนัสอาศัยกามคุณโสมนัสอาศัยเนคขมมะหหมายถึงโสมนัสอาศัยวิปัสนาโทมนัสอาศัยเรือนหโทมนัสอาศัยเนคขมมะหอุเบกขาอาศัยเรือนหและอุเบกขาอาศัยเนคขมมะห ในสัตตบท36นั้นโสมนัตอาศัยเรือนหกประการอะไรบ้างคือโสมนัตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนเคยได้มาก่อน อันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโสมนัตเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนและโดยในยะเดียวกันโสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นอุทภะที่พึงรู้แจ้งทางกาย และธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจช่วนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นที่ตนเคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือน ในสัตตบท36นั้นโสมนัสอาศัยในคขมมะอกประการอะไรบ้างคือโสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปทั้งหลายนั้นแหลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยวิปัสนาปัญญาปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรผันเป็นธรรมดาโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนคขมมะและโดยในยะเดียวกันโสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่เสียงทั้งหลายนั้นกลิ่นทั้งหลายนั้นรสทั้งหลายนั้นโผฏฐัทพทั้งหลายนั้นและธรรมารมณ์ทั้งหลายนั้นแหละว่าไม่เที่ยง เห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบคือวิปัสนาปัญญาเห็นดังนี้ว่าเสียงกลิ่นรสโภธภะและธรรมารมในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาสมนัตเช่นนี้เราเรียกว่าสมนัตอาศัยเนกขมมะ ในสัตตบท36นั้นโทมนต์อาศัยเรือนหกประการอะไรบ้างคือทรมนต์ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนไม่เคยได้มา ก, ก่อนอันลวงลับดับแปรผันไปแล้ว โทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือนและโดยในยะเดียวกันโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูความไม่ได้เฉพาะซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกความไม่ได้เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นความไม่ได้เฉพาะซึ่งผดทัพทะที่พึงรู้แจ้งทางกาย และความไม่ได้เฉพาะซึ่งธรรมารมณ์ที่พึ่งรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงเสียงกลิ่นรสโผฏภะและธรรมารมณ์นั้นที่ตนไม่เคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วธงมณัตเช่นนี้เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเรือนในสัตตบท36นั้นโทมนัสอาศัยในคัมมะหประการอะไรบ้างคือโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปทั้งหลายนั้นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาแล้วตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข์คือการตั้งความปรารถนาในอรหัตตผลว่าในการไรเราจะบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบนัดนี้เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนัตจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ตั้งความปรารถนา ในอนุตตรวิโมก์ด้วยประการชนนี้โทมนัตเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัตอาศัยเนคขมมัและโดยในยะเดียวกันโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่เสียงกลิ่นรสผุดพะพะและธรรมอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำนัด และความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันรอบอย่างนี้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะและธรรมารมณ์ในการก่อนและในบัด น, นี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรผันเป็นธรรมดาเราตั้งความปรารถนาในอนุตตราวิโมกข์ว่าในการไรเราจะบรรลุอายตนะที่พระอริยทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัด น, นี้ เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนต์จึงเกิดขึ้นแก่เขาผู้ตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกด้วยประการชนนี้โทมนต์เช่นนี้เราเรียกว่าโทมนต์อาศัยเนคขัมมะในสัตตบท36นั้นอุเบกขาอาศัยเรือนหประการ ในที่นี้หมายถึงอุเบกขาที่แม่ล่วงพ้นรูปารมณ์เป็นต้นในเมื่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาไปสู่คลองในทวารทั้งหกก็ยังคงติดอยู่ในรูปารมณ์เป็นต้นนั้นดุดมลงจับที่งบน้ําอ้อยติดอยู่อุเบกขาอาศัยเรือนหประการอะไรบ้างคือเพราะเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้น ถูกต้องโผฏฐัทธ์ทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจอุเบกขาคือความไม่รู้จึงเกิดขึ้นแก่ปุทุชนผู้โง่เขลงมง่ า, า, งงายผู้ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากผู้ไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนกิเลสหนาะอุเบกขาคือความไม่รู้เช่นนี้ยังล่วงพ้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธภและธรรมารมณ์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเรือนในสัตตบท36นั้นอุเบกขาอาศัยเนคข ม, มะอกประการอุเบกขาอาศัยเนคข ม, มะในที่นี้หมายถึงอุเบกขาประกอบด้วยวิปัสนาญาณเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ผู้ไม่ลุ่มหลงในเพราะการไม่พิจารณาในเมื่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นต้นไปสู่คลองในทวารทั้งหกอุเบกขาอาศัยในคขมะหกประการอะไรบ้างคืออุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปเสียงปิินรสโหดพะและทำอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัด และความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผุดพภะและธรรมอารมณ์ในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาอุเบกขาเช่นนี้นั้นยอมลวงผลรูปเสียงกลิ่นรสผุดพภะและธรรมารมณนั้นได้เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบสัตตบท36นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคํานี้ไว้ว่าในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมะนี้แล้วจงรับธรรมะนิซะเพราะอาศัยเหตุอะไร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 เธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงโทมานต์อันอาศัยเนคขมมะหกนั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโทมานต์อาศัยเรือนหกนั้นการละการก้าวล่วงโทมานต์เหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตบตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาอันอาศัยเนคขมมะหกนั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาอาศัยเรือนหกนั้น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 อตมัมมยตาแปลว่าความไม่มีตัณหาในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาที่เป็นเครื่องนําสัตว์ออกจากความยึดมั่นคือตัณหานั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอตมัมมยตาแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันนั้นการละการก้าวล่วงอุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ คำที่เรากล่าวไว้ว่าในสัตบท3รนั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมะนี้แล้วจงละธรรมะนี้นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบสติปฐานสาที่พระอริยเสพซึ่งเมื่อเสวชื่อว่าเป็นสัสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะ เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิสูตทั้งหลายศา ส, สดาในโลกนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นย่อมไม่ฟังไม่เงียสดสดับไม่ตั้งจิตรับรู้ และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศัสดาในข้อนั้นตถาคตไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมและไม่ถูกโทสะรั่วรถมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติประธานประการที่หนึ่งที่พระอริยเศพซึ่งเมื่อเศพชื่อว่าเป็นศัสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะ อีกประการหนึ่งศา ส, สดาสแสดงธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแกสาวกสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นบางพวกไม่ฟังหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดาบางพวกฟังด้วยดีเงียบ ส, สดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตก็ไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมไม่มีใจยินดีก็ม่ใช่ ไม่ชื่นชมก็มีใช่เว้นความมีใจยินดีและความไม่มีใจยินดีทั้งสองอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปัญญาประการที่สองที่พระอริยะเสวซึ่งเมื่อเสวชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะอีกประการหนึ่ง ศา ส, สดาสแสดงธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สาวกสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นยอมฟังด้วยดีเงียโสดสดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตมีใจยินดีชื่นชมและไม่ถูกราคะรั่วรสมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าสติปัฏฐานประการที่สามที่พระอริยาเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศัสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะคำที่เรากล่าวไว้ว่าพระอริยาเสพธรรมะคือสติปัฏฐานสาซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศัสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่า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 หรือทิศเหนือหรือทิศใต้แต่บูรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้วิ่งยอมวิ่งไปได้ตลอดทิศทั้งแปดคือผู้มีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลายได้นี้เป็นทิศที่หนึ่งผู้มีสัญญาในอรูปในภายในยอมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกได้นี้เป็นทิศที่สองเป็นผู้น้อมใจว่า ง, งามทั้งนั้น นี้เป็นทิศ ท, ที่สามสำหรับทิศ ท, ที่สมนี้ข้อนี้ฉบับหลวงฉบับมหาจุฬาและฉะบับอัตถกถาเก้าเอดเล่มแปลตรงกันนะครับว่าน้อมใจว่า ง, งามทั้งนั้นขอตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเพราะในทางพระพุทธศาสนานั้นมีแต่ให้ทํากรรมฐานมองว่าร่างกายนี้ไม่งามและก็ไม่น่าจะเห็นอะไรทั้งโลกว่า ง, งามทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นการวางอุเบกขาจิต เห็นสิ่งทั้งปวงด้วยการวางเฉยด้วยจิตเมตตาจิตสงบมองเห็นทุกอย่างไม่มีอะไรขัดเคืองใจแบบนี้น่าจะเป็นไปได้มากกว่านะครับซึ่งดูในบาลีก็จะมีคำว่าอุปเปกขาค่อนข้างเยอะในประโยคนี้และในประโยคที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้ก็ขอให้ผู้ศึกษาคนคว้ากันต่อเองนะครับหรือพิจารณากันอีกทีแล้วโปรดจาว่า คำในพระไตรปิฎกนั้นบางคำไม่มีคำแปลได้ตรงดังนั้นจึงต้องจับใจความสาคัญมาประมวลผลด้วยหากต้องการศึกษาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแต่หลายโวนนะครับที่ไม่ใช่เนื้อหาสาคัญอะไรส่วนมากครูบาอาจารย์ท่านก็ข้ามไปเพราะท่านเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือคนรุ่นหลังนะครับว่าจะเข้าใจผิดได้เหมือนกับที่บางท่านบางกลุ่ม เอาคำแปลไทยไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นคำสอนแท้จริงของพระพุทธศาสนาโดยที่ต้องแปลให้ลึกซึ้งกว่านั้นและครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นว่าไม่ใช่สาระสำคัญที่ควรสนใจด้วยซ้ำแต่คนบางกลุ่มก็จับเอาคำแปลที่ยังแปลไม่สมบูรณ์มาเป็นหลักสำคัญตัดสินคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งส่งความเสียหายให้ตนเองและศาสนาได้มากนะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย จากทิศที่สมาถึงทิศที่สคือเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาและดับปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่าอากาศหาที่สุดมิได้นี้เป็นทิศที่สี่เพราะก้าวล่วงอาการสาญจายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณจายตนะฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นทิศที่ห้าเพราะก้าวลวงวิญญาณัญจายตนะชาญได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากินจัญญายตนะชาญอยู่ด้วยใสใจว่าไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งนี้เป็นทิศที่หเพราะก้าวลวงอากินจัญญายตนะชาญได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะชาญอยู่นี้เป็นทิศที่เจ็ด เพราะก้าวล่วงในวสัญญานาสัญญายตนาชาได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุสัญญาเวทายตะนิโรธอยู่นี้เป็นทิศ ท, ที่ปดภิกษุทั้งหลายบุรุษที่ควรปึกอันตถาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้วิ่งยอมวิ่งไปได้ตลอดทิศ ท, ทั้งแปดนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าพระอริยศาสดานั้นอันเราเรียกว่า เป็นสารถีผู้สามารถปรึกบุรุษที่ควรปรึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบสลายตนะวิพังคสูตร